ตายได้ครับผมพวกตัวเสือตัวหันกระตายแล้วเพราะมันมีตัวตัวไว้นี่ตัวอางคำสองตัวตัวหันตายเนี่ตายฮะหรือนชัลล่นตายลแ่พออุ่มหนึ่งป้องพอห่อจ้ำนะพอห่อนงะครับนอนอ้ยตายแต่เพิ่นไปน้อยนี่ก็ตายเอาว่าอน ข้าในจันทราวะฮะข้ามเรซอยให้ข้าเป็นตางข้ามปนผู้ซิ่วผู um ้กาวู uh ้ไงข้าบัวร้านผายงกิษาผายงกไี่เปื่อยเลยแต่คนดูมันว้า มันมันมันมันมัเป็นจักเสียนจักนิ่วตั้งส่วนแบบมันก็จะขตเพราะว่าคำมันถูกเกิดเวลาผมวก็เป็นแหวนดอกคำมันนี่บนคมันน่อยู่คงพลางกันอันนี้อยู่คงนานเดียวจะหากไปถึงงายต้องงายนะครัน เฮ็ดเรียปลาหมจะมาเฮ็ดมือเลเฮ็ดใดเนาะถามันเ็นรีปลาหมูนั่นละกนเรียกเป็นหมูของหมูนั่นละกันคุณเทศต้นไม่แก่ใหญ่คุณเทศบ่นเฮ็ดงานอยู่จังย่างอู่ไม่แค่ใหญ่ยังเพราะในการเนี่ยมเพราะในการเนี่ยมมรณะภาพจับสาบได้แล้วกัน เมื่อที่จะมาพบมาหาบัวเปรี้มว้าวเหตุการณ์ที่เหตการณ์ที่เรียกสุดยอดเวสันยูเนตุเรียนจะมองวันนี้เหตุเรนเจนสมุสิงห์มุขห้าสันมาตายเรียนว่าอะรยะเวสันจะสู้ทัเ้นหัวทั้ตั้าอ่อนกับสู้ทั้งปีนจะสู้กัไปให้หอดลิ่ลืวัดสันะบอกให้เจ้าทราว่าน้องผือเวสันมันจะพาายพรเพลิงใย้วัน ไก่เด็กจะได้เราปูหมันนู้นเปนของบริษัทเลยชู้เหมืนกั น, อออนอทอเผาเอริยอะแถบ้านเถามากเกือกบก็ไข่กุ้งขึ้นเมื่อไหร่ไขุ่้มขึ้นเมื่อไหร่าการซอก็เห็นอันเดียวกันนี่การซ้อแสดแงเห็นว่าเพล่นบ้านเน่ยมา่งงี้ย ไ, ไฟสูงใงเรื่องสฉบสได้ไหมโม ม, มที่เอาเพล่นออกไปพุ่นอัา น, นีีที่แรกที่เอาเพล่นออกไปนั่นบอกอย่างที่บริการของบ้านสูงก็ูม พระอจารย์กุมารสุกุมูรพุทธวสเพระอาจารหากับววสุพระจารย์มหาพันยังอาุชุบชีกษาภาษาสมัยนั้นชุบชาภาาแล้วก็ห้ามบอกว่าออกแต่สันง่ระคับป้อมสมอวันมวงไข่นะ่นวันวันมวงอมวนมงไข่น่นมวงไค่นี todos, ่รอพ่นไปของป่านวันวันมวงไข่ตะกอน โอ้ยไปสายตายใสกระตาไปงก็ตายนี่แล้วสัมมาโยนเขาดนเลยวะสันจะออกปัสสวะเลยวะสันชนพันอดแางบัวหม่าสู้ซี่เด้วั่นเสู้ซี่ราเลนไกลลงห้อยรบรยยิ้มหัวเสียงหัวยิ้มยิเสียงพูดไหาจ้ำพูดไงใส่เขียวใส่กระบัวหมนเดียส่คนดูไปนะเอาคนไปนี่นังวะัน มาน้าจะเอาบดถักหลังนึงไว้สั่นดี๋ยวเลยขอหามลงไปประหัตบนท่าสองแพงคุณสองแพงสิ่ปกุดก้อมแล้วก็ทิพไปบ้านวงไคอกบ้านวงไค่พระมุมี้ยะโดนเน้ย ว, วั่นแล้วมันหกแล้วจี่เอาเพิ่นให้ไปให้นุ่งกัดบอกว่าสั่นแล้วก็เล่แว่ไปบ้านคุดก้กอมกเาไปไปดงผู้กุดก้อมสัปปีนั่นเพิ่นในกัน พนักงานคู่จำภาษาครูบางนาไม่นบวะได้อนดันวัดอันวัดอันวัดพนักงานคู่อยู่พนักงานคู่จำภาษาครูบางนาหมออยัางหมอฤทธิย่าจำภาษาหันฮึมชื่อชื่ออะครู้พอผูเขาขาพอนะครับชื่อไหนอาจารย์อย่างนัง้ น, น, ยนย่งนนอังอยังยังรู้บอก รวยเารวยอย่รวยเกสรวยพนี่ก็ปล่อยวาให้แล้วก็ถอดรองปลาทงนูอย่างนี้ฮะเนี่เพ่นเพ่นไปพักวันหน้าไสามคืนด้วมมอห้องไปแห่เอาครับไเคียวเยอะเี้ยเยอังนี่เที่มออวนังได้หลับหลับแล้วป เดี๋ยางมาป่ะนีผมก็ขอหามหามนะหามจังไงห้ามจังไงกัว่ยผาบ้านผาช่องเนี่ยยสตู่บ้าจ่ายมันพระเท่าแล้วคนป่ยนี่ตอนฉันก็ให้เอาตะเลียงมาอยู่หิมบาลเนอะคนเนี่ยคนครับตะเลียงทีอยู่หิมบานั่นจังไเลยหามมา มายูวานนั้นก็ น, น่ออาเลยดูวนนี้ก็ <c oughs> เ, เห็นเหนแน่วุ้กเลยได้กับผมนอนป่ยอย่างนั้นนอน <c oughs> ผมก็ไปนั่งไปนั่งยนั้นมีโยมสามคนเอาสบู่สันไล่สบูยอย่างสมัยนั้นม า, ายนว่านั่นั้นโยมพูดนั่งอยู่ข้างหลังผมโมพูดชีว่ายออกมาแล้ววัน สมบูนให้โยมเนะทม่ม้เขาโบเอาที่นเท่าพูผมอยู่ลำหลังนี่บัดนี้ทิมาแล้วนีเอาหรกับคืองาบไดเนะอเอาบหมือเผาหน้าเจอสามมู้ดครับผมเ็ดน่าด้น้องสบูรความหมายบอแม่นที่ให้ซื้อนี่มันมีแนวช้ยอยู่เลอครับผมเกิดขึ้นมาในใจว่าเรียกเปลี่ยนเขาจะว่าชือเพื่อนช่วยันอันนั้น เขาว่ามูย่อมูใหญ่น่านเจียวเขาว่าเอาเอาเงินซื้อเอาปีนเอาจมูกนี่ไปซื้อมูย่อมาที่นี่มาขกาก่อ น, นห่ออย่งเขาลงมายืนเพนื่อนอาจารย์วันยืในเพื่อนไม่ยั้งเพราะใกล้ๆนี่เลยกึ้งกับเนีไรนูนนี น, ใ น, ใ น, ใ น, น, น้นน มันพยายามามากคุณเนาะจานวันเนาะผมอ้วนมาจัอนนะอะไรเอาคุาผมเอาแูนั่นแล้ ว, ว่าเลก เ, เอาก็ผมบอคุนอยากงดจุดขนั้นบ้านมันสีขาวใ่ไหมใครห่างๆบ้านยัไง <laughs> บ้านผมสีขาจานมาโอีตนี้เ <laughs> นา ะ, นนนะลงไป ยังจะขึ้นบ้านนะเพราะวุ้นเรนมาน bee? uh, uh. ีวะสไปเาเห็น uh, ย uh. anyway, so so ังกูว่าจานไม่ใครห่างๆมันบ่มีบัวบ่โยกมันก็นซีมีแต่ว่าวาแต่ผมก็บรรลองไหนวะขึ้นไปแล้วก็บอกให้ไม่มอกเขานอนไปมีใครห่างๆกัต้มให้ได้เนอววาเขาก็กว่ามันเอามาแล้วมันห่างมันก็มาได้บันให่ปเรยนเหนื่อยเนาอันนี้นามันใต้ป็นัยละ เ้าถวายบุญกับคนที่ว่าไเองนยืนนี่จังวันี่นพวกคว้าหัวเบิ้งนั่นเบื้องตัน้งตาทล่นนี่ไรโนะกูวันี้ขึ้นอยู่ในพู้นี่เขาอ้วนหล่นนะถ้าเดินยังเอาใครมาห่างมาผุนนอนขึ้ปั้นนใใจผนหูหามาง้กับผมบ่ผ น่าจะมันไดงโอ้หฮึฮเกิันก็เทเดียวนี่ฮะก็ค้คือเ่าสึงฟ้องเ่าสึฟ้องมาตอบสอบบัตรึงกูวうう่าจะเที่ยามือใครห่างหพนั่นอันพลหินในหันมันบุกเพะโยเพ่อเมื่อใดมก็มียอพังหินไม่ออกไรห่อไม่ออกไรน่อ เงาหวานเจ๊ง่คนรนหม่ถึงคดครับะไรุ่นใหม่ถึงตะเกียบอ่เขาลงเรียนเ่หาตะเกียยังน้องเรียนคุณละเมมันอยู่ในสิ่ดแต่บดีลรุ่นนั้นมันบ่มีเมืดเนครับผมมดเรอมดนะมบ่มียังเหลือเท่า้เดีะันคนรุนนั้น่ะ มูนนี้ก็จะเป็นรุ่นหลัง เ, เ น, นี่ยอาจจะเรื่องรถนี้คระมาบ้านเดียวปรมานี้ มี่ก็ลาเอ็ดนี่ยอูแล้วก็พวกลเอ็ดชุดหนึ่งมีคนสองพวกพวกก็ลาเอ็ดพวกนึงผู้บุกรุงเทพพวกนึงสองพวกมานี่หมาห้อมีาทก็ได้พระันาแผนหมาอันทาอันพระวันเดียวหลือม่าเนี่ยครับอืมพราวัดเท่าวันเดียวนะครับผมพระนี้มันกรพาดีไม่าแา้วเท่ากับกล่าวลาพ้นทไว้ มัดเรื่องมล้อเหรอฮะนี่ยพระอะไรอารมตาบูชาเพลินก็บุญยังดีอยู่ยังเห็นอยู่พุทธภูริหันนอกกับผมเนอะที่ยังบุญนีกัจนานมีอยู่อ่ะมรดคนนี้เราปฏิทัยเฮาอะมรดคนนี้มรดคนนี้มนมันเป็นมั่นกายเป็นของชั้นที่ดีขยำมากอยำมากขยมายไพ่ไว ทายยังไงเอาไว้อันนี้ไปขอียขาใชเขพระเจ้าหรอใช่ไม่เยิดชเข้าไปเลยโมเเอาไว้ตามเดิมเหมือนเดิเดิมมอเาได้ของเดิมก็ของเดิมมันส้างวาะไรอไปทายมังไเอากี่ว่าเอาเป็นอัมสาวนี่อันเขียนวายังไอนหนึ่ันมันเขียนมันปีนเขาเขียนว่าปีนน เห็นใหมล่ะตกเห็นตกเห็นไปหมเบริเทาง้านั้นเองครับคนเที่ยบไันมาเลยที่ตัวนี้ มาอยู่ไหนเจ๊ัน เ, เทบ่ยวมาถึคือเขาโอกาสเขาบ้านกขาเที่มาอยนั้นมันใต่เทียนต่างทางเชื่อกคนคนรตนั่นไรกราทัดกั้มหมดไฟไรเทียนนี่โค ต, ตร <c oughs> <c oughs> ได้โตได้มันจะเป็นแบบนี้หอสาระละร้างฝากเ่าอย่หนนันเนาะครับ กุฏิอนามไม้หมดหรอครับกุตีเข้าเยี่ทางไหนคครับกุดนี่คิดร้างนจะถี่น้อครับมันมันว่ามันคนบาเห็ดสาว้อนน้อชนกับเห็ดทาาไหวครับถ้ารไผเหาจะเลยขาไผทั้งองงนอทั้งฝน้อขี้ก้อนเ็ดี่วไหวหลายจือ่ะคยวนี้ี่ยามันมีหลายสมวนยนี่นี่มึา คันลอยข้างกับกราไลใบสวัเด uh, okay. ือนกห้าสองแมสมาใหม่อืมน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำโอ้อีพอเดี๋ยม โอ้น้องอันพาไ่ได้เห็สีมัน ก, ก็เข็เอาแล้วไปอันนี้อันนี้นี่จะมารวบเดิมเนี่ย อันลูกอันดังอันแหลมๆจากศักษากันีมดอกอันอันนี่ทั้งหมดจะแง่ง่หลายอันคืออทายฮฮิตสีด้วยทายอัฮักฮิตีด้วยไงฮิตฮิตสี ก็เห็นคือีตีคือีตยกู่มันยุคกับที่มันจะรถ่ไหมจะรถแล้วจะที่จุ่มลูน้พันซีตีเน่นั่ง2คนแต่้าคนกับคนในกมาหาพันได้เยเนี่ยตู้น่าไปวด มองท่านว่าอยู่กับลพูุรีพันษาเนี่ยยังแต่เรากับท่านอาจารย์มหาท่านนอกนั่าไปหมดแล้วน่แล้วผู้เห็นใจลพูุที่ลรหายใจก็มีเรากับท่านอาจารย์มหากับจาต้องขํามจาต้อ ง, งขํามาาภาวันกับผู้มาอาหารวาพอ่อ บาสียดา ย, ย, อ, อ, อ, ยอย่ย อ, อนี่แวเปเรื่องค้วย่ยหรือเปเรื่องง้อปุ๊บอ่านีบชกมาุกด้มวยฮะเนี่ยชิม่ะฮะ มาเทียบมาได้ทำพาเียนเที่ยบมาได้ทำพาเีอนมาอันนี้เขเที <t <t ่ไม่หรอกเ่ยตะกี้เ่าได้เทบันไดอันก้อนอ่ะมีเที่ยม่มีเทีปูนอ่ะพนังอันนี้เสือไม้นี่ครบผมเเสือไม่หรอกเสไม่ท่านรู้่เอไมเสือไม้อันนี้ตะเกาอันนี้อันทอืมอันนี้เสือไม้ผมจะเดี๋ยวจะไปมโนมุสแปลตรงนี้ผมสั่นะครับ เป็นธรเป็นทน พ, พนี้ครับยองคุพิเเตยคนนี้ไม่เข้าใจนี่เไม่ดได้ม่มีโทษมีนั่นเชืเ่อว่ามีโลษมีทระทับต่อนึองคนสองไดสมบัติข่างปูวงไม่เสิ่เถ้าได้ตนเพราะตอนเป็นที่เกิดเอ่งสมมติส่างปูเมื่อท่าง เราอธิบายไปจักปันจักจกรรมาฐานเจ้าสาลงมานะขาทางตาต า, าโจนไปจกากรรมฐานจบลงม่ากล่าวเตือนขึ้นเป็นคำกรว่าเจ้าให้ตกเนื้อเจ้ากวาตกข้าพกเจ้าว่านีพกแก้แก้วตกข้าพกกไว่าย แก่เพราะไรแชนข้อต้องแตงแชนข้อต้องแตงแชนคอยคอยอะไ่คอยไปคอยมาเหมือนโคแกนกระบืนแก่แกบอกพ่นไงแก่บักพ้นขาก้นยังไงมันเป็นภาษาภาคอีสานมันเป็นขั็นคำสอนของลพบมัน เขากล ร, รักษาเขากา ร, รักษาอันคำพูดของคนไหวแต่เน่ยมันไม่ใ่บุญหรอก่บุญจรนงามทบม่ใช่บุญราะวันดีหลานศพมันคือเรื่อส่วนจุด่นตัองบุคือมีนุญท่มีแตวนาพระอง ที่บ้านคำลงตำบลท้องเกลียและตัวราชธานีจังนาคั่มพูดสอไส้สามจังนาคั่พูดสอบไขสา ม, มันจจดเอาัอนือว่าแั่ไต่แล้วมาจังนาคั่ว่ากันแค่ห ห้องอ่ะซ้มาท์ส้มา์อานมานเมากชามาก้มันย่งพุทธห้อสีมัสิเ่ยเข้ายุ่งุทธนี่ โดนไฟละมันตีที่ซ้มเขาง่ายเขาไปยุคหน้าอ่พุ่นพลิกจามหาอยหันเราเพิ่งได้จำซ้ออยู่นี่ผู้ตาลนึ่เพิกจามเงี่ยงนี่เยอะเเงี่ยงนี่เนะคนคนคนพลิกมเงอ่ยงเนาะก็ข้าวของกผมก็ข้าวขมงเกิดอะไรเกิดหลังเงาเกินหลังเงาอันนี้าวของผมเกาพ้น นั่นเสียงนั่นเสียงยุบหินดินพื้นโอกาสพักที่ที่มรณะคาร์เพื่อปูม่านคาชาปนักิจเอาทั้ได้พอพูดอบ้าเ่โอ้ยอยู่เอยู่พูพกเล่า ยุ่งย่งว่างว่างนี่รนใหม่นี้ว่างว่ากลๆนี่นรุ่นนั้นมันอยู่ใน hmm? yes, หนกมันหเลยมันหกว่าใยาหกมันหกว่าใบยาแล้วมันหกยครับม okay. well, ันหกอครับันน่าเลนแบบเราโอ้โอ้้อันนี้อันนี้อันนี้หมืนตม้ เราไหมมันเก้าวันเดียนั่นเองอ๋ออ๋ออ๋อโซล่ามันแไม่หรอกเลยเกืบเือนไหมอืมที่เี่ยลาคาคือมนลาคาคข้ง้อน้ข้างท่อเนี่อดูดูนี่ดูนี่เออเรื่องนี้เนาะ น้องกลางดูวหันน่อครับน้องชายอยูี่ไรครับผมที่ที่หรอก็ก็แจกเงินากนั่หละมามาบนบนจะพุนรับจะพุ่นไม่นครับเจ้านสมานปีพุ่นไม่พลาดเนี่ยมันไงบาได้กูย่างคนโลชันใหญ่ใหญ่ล้ว่ะชอบเถอะน่องบัวาดอบปวดัวหรอที่มันบอกใหขนาดนั้นหออครับเออ ช่งชู่้ถังช่างู้ถังช่างู้ถังจนช่างขู้ถังเลยก็รู้ไปเลยอันนี้เกาะเกาะไผ่ปูกมาปลูกไม้แน่นอนปลูกไม้ปลูกไม้ก็เผาเขาเผาเหมือนงวดนี้เรางวดนี้ก็คิดตายแล้วตกนต้นเงี้ยนักทิพงบักทิพยแล้วก็คิดเยอะจ่จะตายแล้วตายแล้ว พอกัดพุดพุ้ดอันอ๋อห้อหนากแดดย่างเนื้อบอกห้อหนายงเนื้อไปดูานะวหอหนาันบนี้เห็นไหมมันมันมยหลยเลยพรม่ดุ้นมันอหายแล้วมันได้เขา เอาประมาณนี้ลุมาทวงเหรอเมื่อขาวจำได้จำได้คนเดียวแค่ขาวชอบเป็นชุดเดิมนีม่ไปเจ้าเขามันลุกพูไรตตัวลุกพูไรตด้วยเข่าลงเลี่ยนจะอเจ้าก่อนเอ้ะ ข้ากับบูบชาตลองกาสะไงแล้วเหี๋วว่าจะไงล่ะก็ไม่แรงมากมาเป็นลมแช่น้มันที่เตา นหวานนั่นอย่งนิดหน่อยถ้ารวมยาเราเลยหายไปอาเด้อห้องพี่น้องเอ้พี่ล่าไปเล้วถ้าทำแบบสุดซุเนะ้า นอตลครับน้หน้าอนนี้ก็สันร้ายอะไรคาดกํลังเขใส่ องวนมาหน้ามูนฉงสแงวันคมว่าหน้ามูามา่นออกมามีค้นสองก้นเท่านั้นแล้วนั่งเนียเนยกยโหนฉงสสองก้อนนี่แหละเื่อไปต้องก็ดไรอยู่ประจำตัวของคนอื่อ่ม ไปั้งวันเลยปทั้งหนาหมดแล้วบไปทายนอ่นอเีย ลูกชาพ่อพูดบอแบบนครับผมคนวันอื <t ia> <t ia> ่นรอยู่นี่มาเคยพ่ะออกฟ้องนะ ู็จะก้นเนี่ยนี่อืมว่อท่นเห็นเท่าเนาะมหาบัดกีเปได้หน่อยหอด้อนเกิด น, นี่ไปยากซี่สิสปีรานชิ้เก่าหรือชิปี๋สย ส, ส, ปปสองพันเทเอย แก่กเก่าเก่าบเก่าซีฟเก่าสองพุธิพันม่ได้ยุ่ห่างกันเครื่องห้องอะไรเลยลุงปูแต่สายว่าความสงบนี่มันก็เด้เงียบปอนย จเจ้ า, า, าพพห่อนักปั่นงสาโหกสมอเองล่องั่วกับวันนี้เฮ้ยล่องปูวันนี้ลงคงั่วะเนี่จประลัดเพ่งนะตืนเ้อมากบดอาหารเนื่อนเพ่งบดอาหารในพน้นพ้นหนำบดนุดราเป็นปลาแหง้งปลายห้งก็งจะออกมากเรียก เ, ก เ, กเกน้อยชีดเดงแดงดางๆเมื่อได้ออาขอามาในวัดเฮ้ยจะเกีย เมื่อแดงๆแดงๆมันเอาเข้ามาในวัดแต่ก่อนยุคก็ปูพวเราทุกวันนี้จะจูงโคจูงกระบือเข้าไปฆ่าในวัดนะ<笑><笑><笑><笑>แวเท่านี้ แต่เท่านี้ก็อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เราปู่ไปอินเดียยังไงมันจะไปได้อืแต่เท่านี้ขนาดนี้แล้วไยเข้าใจไหมจะไปอินเดียทําจุกกรทคาตาอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปใหญ่แล้วดีวนี้แต่เราปูกไม่ได้ไปเรื่องจำสถานที่ไม่หมดเลยนะอืม ข้ามุก ร, ราคาตาอยู่ที่สร้างภูเขาคิดจกูดสารวานโทยาทางที่การออกมังกุชนินานาาจะษัตตั้งอยู่หนใต้ติบูนเป็นแคว้นใหญ่นะมีอำนาจมากมีพระเจ้าพิสซิมลิสารทรงอำนาจทิ่ิกาจึงทรงพ น, นามร า, าชามาสัพโธ แต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินมกุฏอู่ที่้นใต้มีอำนาจมาก้างพุทธการก็เมืองกเวินรพัฒ์ก็เป็นเมืองขึ้นสาวัดถินแต่ว่ามีพระเจ้าแผ่นดินปกครองมีชื่อพกแควดอังคะมกัทฐากาสือโกศลวัตีจมันรักมจีติมังสวัสะ กุลปัญจาระมัชชะสุรเส อ, อัตะกะาอาวันตีคันธาระกำโพชะภคะวิเทหะสักกะภคะวิเทหะอังคุตาปะมีเสด็จแพร่มีพระเจ้าแผ่นดินอยู่ทั้งนั้นเมืองพระพุทธศาสน า, า, าแต่ว่าจะเริ่มเ ม, ม, ม, มือไทยที่ Okay. ถ้าอย่างนั้นพวกเรากรากันละมันจะค่ำใช่ไหมมันทำนายอ่ะมันทำนายถูกลอบูจะเสียน้ำตา <c oughs> นี่ตัวนี้ทำนาเก่งเนี่ยตัวนี้มีไอ้นากระตังสยามเนี่ยแล้วปู่จะเสียน้ำตาเนี่ยดูดีไม่แห้งแล้วพี่น้องก็ยังนี่เน้อพาการรักษาสิ้นพ่อมาหน้าตาพ่อเม่ยคู่บ่อากาศเขาเคยพาซาังมาเนี่ยนะ มีทานนี้สีนี้พ่อหน้าเยอะเก่าแล้วจิตใจถึงแพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราพระเามัถอนออกได้แต่ว่าพุณพระเจ้าเขยังถอนออกว่าไงท้อง อ, ออกไหมล้วพูดกังออกจิตใจถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีใครถอนออกได้ สมาธิพุทธเจ้ากระสานไม่ได้ไปกลับแล้วก็ลากันละทีทำแล้วทีนี้เราจะไปเส้นเดียวกันหรือจะไปคนทางมันเกาะไปเส้นเดียวกันดีไปเส้นเดียวกันก็ดีนะแต่ค้นทางมันดีทางนี้นานถึงก็ตามมันไปทางนั้นมันกุกคักไปเส้นทางดีดีกว่าอึงก็ใช่เส้นทางนี้ก็ไม่เป็นไรนะเจ้าค่ะใกล้หน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าไปสบายแล้วเอาอ่ะ มันเลื่อนกันบนไหมมืตมอตัวมาบม้เสียบเพียงครับเาเเรือ่องเสียงจออกมาที่หลังนี่ละออกมาที่หลั ง, งออมเดลบอลเพิ่นหม่ำ บ, บางไงบางนัเขาต้องนอกน <c oughs> แต่ต้องเดีย่ยวเอาพิลาบานนี่นยกเห็นหนายบอนักเ <c oughs> มันเขา เ็นลล้าแถวๆทโท่านนมี่านนาาเรื่อๆอย่างก็ี่จะโนี้ัคอินเทไอินเท่ตอันเดียวันมยว่าม่วยากรรคเป็นท่าเนี่ยเดี๋ยว กัมช่างกัมข่างนี่อั น, นมั น, มนเอียดก็กันช่างนี่ไม่เห็นกับพูกเหรอพ่อรูออ้ดีโยวาวัฏตาสองสารนี่เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยความเกิดเต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยควมามเจ็บเต็มไปด้วยค ว, มยความตายเต็มไปด้วยความนิยมพัฒนาเต็มไปด้วยความปรารถนาอะไรสมหวัง จริงวนนีมันมาเต็มอยู่คิดยุคใจเฮาเพราะยุคใจเฮาเป็นผู้จักภาพพจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเมื่อเป็นเรื่องสั้นแล้วก็มีหนทางอันไหนก็มีหนทางแต่เอาพอพูดพระธอทประสงค์สองลงไม่ใจใหายเลิกก็แผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยดพุนแผ่นดินหนาสองแสนสี่มื่นโยดหลูดระเบิดปรมานูเขาทํำลายแตก ลูกคนผู้ถึงพระพุทธพระธรทำพะสง์แล้วซึ่งเป็นอาจารและสัทธาสัทธาบาวชเวกสัทธาในโลกุตละสัทธาเสื่อมันใด้คุณพระพูธพระอทำพะสง์ว่าเป็นคถ้ำที่ถําสร้างสอนของสัตว์ทั้งหลายเป็นนิย่านี้กระทานําสัตว์ออกจากวัฏทุกข์ทั้งปวงนิ่ธานวัดศีลวัดพระวนาวัดเป็นต้น ขันทนาวัดศีลวัดพาวนาวัดของเฮาเต็มตืนแนวยุดไม้ปลายทางของเฮาก็จะเข่าสู้ภายในพานเดี๋ยวนี้ขันนวัตดศีระวัดพาวนาวัดของเฮาย่างบกครองูเอาจึงเดิมาท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเพื่อสั่งขอใสในกิตในใจในมโน่ปุ๊บพังของเฮาขันทนาวัตดศีลวัดพาวนาวัดแก่ก่าเขามาในกิจในใจเฮาสดาย ยึดใจเฮ้าก็นับวันจักษสนะควมหลงจักษสนะควมพื้นในวัตาสงสารไปนักว่าท่านาวัดศีละวัดภาวนาวัดของเฮ้ายังว่าท่านเต็มเพียงไหนเฮ้าก็มีนาที่สี่สามไปตะพึ้ตะพื้ผู้ไปหอดไหวที่สุดก็คือหอดในศาสตร์นี่ผู้ขันที่สองก็คือพาษียาเมตไต พวกขันที่สามที่สี่ที่หาที่เก้าที่ร้อยที่หมื่นที่โกดที่ลานที่ตื้อติวเสลียวติวกับพระพุทธเจ้าองค์หลังเป็นล้าดับไปอืมแนววันนัมันจังไหนกับต้องไปบนเดียวกันเมื่อทริปวัตตะกรอนไปหลังเท่านั้นปล่อยพระนิพพานเนี่ยพวกที่ปล่อยพระนิพพานแล้วน่ะมากว่าเม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยทองมหาสมุทรสีมหาสมุทร ผู้เกี่ยมตัวจักไปก็เหมือนกันเออผู้ไปแล้วก็เหมือนกันดอกบัวซีเราเราที่อยู่ใต้น้าําก็ตอกไปที่หลังก็ต้องหวานที่หลังดีว่าดีบ่าบานพราเป็นทักษาแห่งป่าและเตาดอกที่เสมอน้าก็มีวันจักบานดอกเป็นตูมดอกที่บานแล้วก็บานเต็มพูม่ม ดอกบัวว่ามีน่แต่ขังพุทธกาลเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นํามวยข้อนะ่ะดอกบัวก่อเดียวดอกบัวกอเดียวเนะี่ยไม้ขั้วามาคตอยู่ในโลกแต่ละดอกไม้ขั้วามาแต่ละไล่ของบุคคลอ่าดอกบานกระบานเต็มพุ่มคือคู่บาอาจารย์ผู้พ้นพ้นไปแล้วดอกตูมกระตูมเต็มพุ่มคือผู้ตะเกียกตะกายอยากรุดอยากผนอยู่ ดอกเสมอนาม้าก็เสมอหนา้าเต็มพุม่มคือกำลังเล่งให้เล่ง ใ, ให้ท่านรักษาทิ้งภาวนาอยู่ดอกอยื้ใต้น้ำก็อุปมาพูดคือผููถือว่ามีบุญมีบาปสุกเอาเผากินเออเจอก้างวาออ่าแต่ว่าเพราะยังมืดมืดนอนทการอยู่พวกมูเฮ้ามันก็อยู่ในระวางดอกที่เสมอนาม้าและกำลังเป็นตุม่ม คู่บาอาจารย์ผู้คนปฏิบัติเชิงคัดพ้นพนไปแล้ว <c oughs> เหมือนดอกบัวที่บานอยู่ในปัจจุบันนี้เองปัจจุบันนี้ผู้พ้นพ้นไปแล้วก็มนี่อยู่วันใดนิยมการว่นนี้นิยมเวลาอากาลิโกผู้ใดทําบุญย่ำใดก็เป็นบุญย่ำนั่นผู้ใดนั่มบาญย่ำใดก็เป็นบาญย่ำนั่นยามใดยามของกิจของใจบาปมันกับบาปอยู่ใจบุญมันกับบุญอยู่ใจ ทำบุญแล้วก็ลงไปยุยใจหันบันเด็ไปยุบนอืน่นขั้งสมบัติพัดสถานที่ห่อเอาไปฝากไว้อันนั้นจะสมบัติพัดสถานภายนอกทามันมีลายเพราะโจรชิลักเพราะเขาทิปนเพราะเขาทิกี้สารพัดจึงปรฝาบขั้งไว้เหลือว่าสังหาริมทรัพย์ส่วนอสังหาริมาทรเปลือกสวนใ ห, หน่าฟ้องเฮ้าก็อยู่ตามเดิม <ello> สรรักวิญญาณาก็ทรัพย์ ทรัพที่มีวิญญาณก็ดีอวิญญาณนั่นก็ทรัพทริบุมีวิญญาณก็ดีทรัพ์ภายนอกมือนี่เป็นของมาเนโนอนโจรหาละโ น, นนิธิโจนะเอาไปก็ได้สรอยไม่ก็เป็นพระราชารีบเอาไปได้ท่านเอาไปฝังไว้ในน้ำก็น่าพูดเุื้อวันเตเอาไปกินฝังไว้ในขี้ดินก็พูดพีปีศาสเอาไป บุคคลผู้ฝังคุ้มทับย์ไว้ในธานวัตศีลวัตภาวนาวัตเป็นคุ้มทัพย์ภายในอนุค่าเมนี่ติดตามตนไปทั้งในภพนี่และภพหนาและยังยิ่งคือพระนิพพานเดี๋ยวนี่เข้าจองคิวพระนิพพานแล้วสี่หอดสัตว์ได้พบไดก็บวไดว้ว่าผู้ปัญญาไว้กับต่อหอดสาตว์นี่มาค้าดีแลนจวงมาค้าหัก อุปามาคือผู้สางบาลานีแกก้าแล้วก็ต้องแล่นออกกรผู้สางผู้ท่างกาอุปามาคือมาขาดีไปก่อนโบอโลการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารเ้าว่ามีการสงสัยดอกนี่จะเกิดแก้เก็บตายมอเมืองอดีตเกิดแก้เก็บตายเชื่อมมาแล้ว มองมงอนาคตกะเกิดแก่เก็บตายเพระท่านมาเถื่อมองมึงในปัจจุบันกะเกิดแก่เก็บตายที่กําลังเป็นอยู่มองม okay. uh ึงอดีตกะอนิจจ huh? okay. um> ังทุกครั้งอนัตตาที่ลวงไปแล้วมองมึงอนาคตกะอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่ท่านมาเถื่อมองเมึงปัจจุบันกะอนิจจังทุกครั้งอนัตตาที่กําลังเป็นอยู่เผ่าเห็นคว้นตายขณะคิตหนึ่งเผ่าไปเห็นหลอบโลกเพราะโลกเต็มไปด้วยขั้นตาย ข้าวบ้าต้องสงสัยโลกอีกขันบืนไปสงสัยอีกก็เรียกว่าเห็นบ้าชัดก็เรียกว่าเห็นตามที่เคยได้ฟังมาเห็นตามควมจำที่ฟังมาถ้าเห็นชัดๆแล้วข้วบ้าต้องสงสัยเห็นควบเจ็บคณะนึงนก็เห็นโล ก, กรอบนนนหนึ่งเห็นควบตายคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเห็นควบบวมัวมว่าเที่ยงคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึง่งเห็นเมื่อโลกทั้งร้ายเต็มไปแต่กองทุกข์จังซีแล้ว ข้าทั้งหลายกับโมเมนสีมาสะสมค้อมหลวงไว้ในโลกขวอมหลวงสีบอระอาลาถอยออกจากจิตกาสัญญานมันกับโบนี่พอมองดูภาพพดของโลกมันมุ้ยบนรลีบรรับรูปศัพที่อาโลกูแจ่งสว่างเหมือนไฟโพงเกิดก็เกิดเปิดเผยทุกเกิดก็ทุกเปิดเผยทุกแก่ก็ทุกเปิดเผยทุกเก็บก็ทุกเปิดเผยทุกตายก็ทุกเปิดเผย ทุกปาถนาพจน์สมหวังก็เป็นทุกเปดิดเผยทุกพัดผากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจกลาเป็นทุกเปดิปดเผยมัน ส, อส่อแสดงหเห็นทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งศีลสมดูลกันอยู่แล้ว เ, เรียกว่าสมาธิหรือศีลสมาธิปัญญากลมกืนกันขนเห็นกันสิว่ามันสมาธิหวัวต่อว่มันสมาธิรับตาสมาธิมีปัญญาสัมผนูษ เมื่อเห็นรอบขอบในสิ่งเหล่านี้แล้วว่าเกิดบ่มีความสงสัยในวัฏฏะสงสารทั้งปวงแล้วให้เขาแม้ทักพักเส้นหนึ่งก็มีแต่หวังจากพ้นจากความหลงจากของสิ่งเดียวเท่านั้นว่าได้หวังว่าจากมาเกิดแก่เจ็บตายอีกเพราะให้พ้นไปเสียโดยดวนขันบ่ดวนกับญาสุดให้พ้นจากสภาวะสิยาเมตตาไปหรือพระเจ้าสิพระ อ, องค์นี้อืมถ้าพูดปไปว่าก็ยุว่าได้ผู้ใดพี่จะน่าทุก เป็นอารมณ์ผอมกับลมหายใจเขาออกดูกด็ดีผู้ใดพี่จ้าน้าอนนีจังผอมกับลมหายใจเขาออกก็ดีผู้พีพ่จ้าน้าอนัตตาเป็นจะซักว่าสังขารทำเป็นจะซักว่ากองทุกข์ในวตาสงสารอันนี้มันเปนสัตว์มันเปนบุคคลมีตะกองทุกข์ล้นล้วนอร่อยพี่จ้าน้าอยู่บ่มีกังเว้นกังคืน บุคคลผู้นั้นอยู่ว่าได้บ่้มีวิญญาณปฏิสนณฑ์สิปฏิทั้งอยู่บันได น, นักเขานักเขา่าตายมือแล้วก็เข่าสู้พนี้ผ่านาโหลดบรรด่ได้ล่อสะเออบุ้มไฟสิไปดึงไว้ได้บุมเพื ไ, ไ ด, ไไดไ้ไปหามไว้ได้เออไฟสิมีกดเกณฑ์ไปหามข่มเบื่อข่มนายข่มข่ายข่มเมาของสัตว์ของบุคคลได้เมื่อมันพ่อของไฟของแม่มันก็นต้องไปของคนเกิดมาในโลกนี่มันบ่ได้อยู่ระดับเดียวกัน ผู้สั่งบารมีมากเกือบเต็มตื่นแล้วก็มีผู้ที่ไปในทราบนี่ก็มีผู้ที่ถึงพระสวสดาบัณสักทาขามีอนาคามีก็มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายบริเวห่วงบริสัทธ์บริว่านห่วงกันอยู่บางพระองค์เป็นพระอนาคข้ามีไปอยู่สัน้นอวิหาอาตัตตาสุทธิสาวสุทธิสีเพราะท่านในเขาสูา้พระนิ่พานก็มีพระพุทธเจ้าของเฮา หายตัวแวบไปข้าเดียวอยู่ปลามหาวันขึ้นไปสุทธาวาสท่านมาอยู่นี่แต่นั่นปนัญใดแต่ว่าเฮารู้จักท่านแล้วแต่เฮาจากถามท่านท่านจะตอบโกงกับข่ำของเฮาไหมเพราะพุทธเจ้าของเฮาอืมเรารู้จักท่านแล้วท่านมาแต่ใสเราก็รู้จักแล้วท่านมาแต่พระเจ้าองค์ไหเราก็รู้จักท่านแล้วแต่เราจากถามท่านท่านจะตอบโกงกับค่ำของเราไห ม, อมโอ้ยกระผมนี่ <c oughs> ละกา ม, มาร่มมา้าถึงจะข่ำพระเจ้า <c oughs> กัจฉปะ กามาร่มขาดไปแล้วยังแต่โมหะร่ำน้อยเดียวหนึ่งจึงได้มาเป็นพระอนาคามีอยู่หนีหร้ายกลับหลายกันแล้วเกิดถามเจรดับระดับพระบางพระอ ง, ง, งะค์อยู่แต่ป่างพระโกกูสันโธกมีแต่ป่างพระอโนมาทัสศีกมีพราะอายุในอวิหาอัตตปาสุตสาสุตสีมันยืนร้ายกลับร้ายกันเอ อ, เ อ, อ เป็นแม่พระเจ้าฮ่องเฮาเองี่กระปาถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้ามาตั้งแต่พระเจ้าที่ปังกออนอแล้วมาเป็นแม่พระกุศลทูแล้วก็ออกจากแม่ พ, าพาระกุศลทูแล้วมาเป็นโกโนาคมโนออกจากแม่เป็นแม่โกนาคมโนุแล้วถึงม า, มาเป็นพระเจ้าคัตมาเป็นแม่พระเจ้าคัตโป แล้วมาเป็นแม่พระเจ้าโคตโมย่งอีกองคหนึ่งเป็นแม่พระศรียะเมตศไตแล้วจักได้เขาซูพนิพานหัวก็ได้พระโสดาบันวางพระพุทธเจ้าคือประเทศโกรดซัดแม่ดาวาดึงพระโคตมะคือประเทศเทิเอามะแม่เนีพระโสดาบันย่งอยู่เดียวนี่เออยังมาท่านเนีเขาซูพระนิพาน ย่งสิเป็นแม่พระพุทธเจ้าอีกองคหนึง่งยุสคอนนีปัญหาสอดเขามาว่าพระสวสดา์บันจะจักได้มาสางฆราวาสดอกหรือพระสสดาบันเอกพิซี่นี่เดี๋ยมาสางอยู่ศาตรหนึ่งโกรั่งโกละเดีมาสางอยู่เจ็ดาสตร์สตักขตุโกรั่งโกระได้มาสางอยูาา่หกศาตร์สตักะัดูปรมาได้มาสางอยู่เจ็ดศาสตร์วางท่านพนว่า ภาษีโเมตไตมากเกิดแล้วสันมันมนม่นบรมนมั่นสิเมนจังใดภาษีโยเมตไตผ้าบริษัทบริวารไปวายธาตเจเจยาจุลมะนีประจําวันอยู่พ่อมาไล่ขึ้นไปสมัยพระพุทธเจ้าขั้งพระพุทธการก่อนใดพระมหาอโยมจึงสิลงระเกิดน้มนุษย์โลกสันเออเมด่อศาสนาพระโค ต, ตามาคุณา จังศิดิลงแฝกเกิดในจังศิดิลงแฝกเกิดในมนุษย์โลกสิกดิประกาเมื่อพระราษสีเมื่อพระราษสีนั่นศิริซื่อว่าเมื่อกมมอุตุมมะวัดีอศิดิตัดทะลุไม่กากะทิ้งว่ามันไม่พ่คือเฮาไม่กากระทิ้งนั่นแปลเป็นคำไทยวอาไม่กระทุ่มเลือดเอาสั้น นั่นมันมีตาหน่าอยู่ยังสั่นยังสั่นยังสั่นยังสั่นสุอันสุอันสุอันสุอันเดีวห้าทาั้งหลายกระจัดไปอันเดียวกันมีพระนิพพานเป็นที่แล้วขันโ่เถงพระนิพพานมาแล้วจกคือเที่ยวมาเกิดแก่เก็บตายอยู่นี่ละใส่ศาสใส่กรรมจะของอืเดียวนี่ถ้าบุญใส่ น, นี้จะของทํามคมเพี้ยนใส่ น, นี้จะของหนีโลกหีโกดหนีหลงว่ามันใส่ น, นี้ผู้อื่น ขันชนะกับนะเจ้าของขันแพ้กับแพ้เจ้าของในพระพุทธศาสนาะชนะทั้งเอื่นบ่มีแพ้ทั้งอืน่นบ่มีแต่โรคทั้งหลายเอามาใส่กันซื้อชนะกบสบนะกิเลเสเจ้าของแพ้ <tasting> กับแพ้กิเลสเจ้าของมีเท่านั้นในพระพุทธศาสนานะเอจงชนะค้อมตณีของเรา่าโดยค้อมให้ท่านของเราจงชนะค้อมบ่มีศีลของเร่าโดยควอมมีศีลของเราจงชนะค้อม โหดไลดมม่ด้วยความเมตตาของเล่าจงสนะควอมหลวงของเรา่าดว้ดยวยควอมด้วยควอมสลาดของเล่าจงสนะควอมโมพาวนาของเล่าด้วยควอมภาวนาของเล่าจงสนะข้อมขี่ขานของเฮ า, าเด้วยควอมมันของเฮาจงสนะควอมมืดม่นอนทการของเฮาด้วยข้อมมืดม่นอนทการของเฮาพระพุทธเจ้าให้โอพนายโกให้ปัจจตังน้อมเขาลงมานี มันจังเลยทำมันจังเลนปฏิบัติง่ายเอวังเอ า, เอาละอืมเข้าก็บกเห็นตาเด็ดตาผายคนไปบินธาบาัตนะวนี้จะผ่าไม่มาเอี่ยมเท่านั้นพได้ไปก็ถ่ายมาอึดน้ามาั่นกูเห็นอย่างเงีกินขึ้น ก, กบกูพอ ด, ด้กินอยู่มูฮั่งมาอึดตีวิหารก่เห็นได้ตาขนจะคนกพอ ด, ดิอยู่อยู่เป็นกบมังไงไฟสูงของมูฮั่งซือๆที่มันผสมะสม่ะ บอกสัตวเอาโหลดว่าไปบินาบาทได้นแจ็เขาเขาว่นาน้ำเลือกเพื่อข้อปฏิบัติควรทุกใดเยอะดอกอสิ่งท่านบ อ, น อ, น อ, อ, อ ก, กว่าอนุาสาร์อ่อในผาเปลือกไม้กาดีก็ป่าที่กะโผล้เสยะ่าไม้ผาแพร่ก็ดีช้านั่งผ่าเปลือกก้างกว่าดี ทั้งขะาทั้งสามยางทั้งหาย่างเกียกันอันนั้เรียกก็หน่อยกว่าดีโภมะผ่าเปลือกหม่กว่าดีอิจเรสลาโภหลาสมคว้านพ่อทิพเติบัตนผลทุกนายุรรภ์ในอนุสาตร์สันงว่าจะบินดีญาโรกประโภสนั่งช่วงให้อนุญาตไปบินทบาทได้ จะว่าเขาจะหายบ่าหายกรวบาราคเหลือเฟือแล้วเพจะว่าสถิติวัดคนทุกได้เยอะดอกเขนะานี่ขับรถมโมเมนต์รถจีบพืดพืดพืดพื ด, ด, ดมากอยู่มอเขียวมากแท้เกิดส่วนสูงมาเจ้าแค่เจ้าแค่มากสิสถิติัว่าคนทุกเสนอเข้ามูเข้าสูงเหมือน มันเป็นสั้นได้เดียวไงเออคือาอากาศพอดีได้ค่ะอากาศพอดีพันไดเว้ยใหญ่ไปครับมันไม่หลักๆๆก็สนองก็รมฐานเสื่อมมันเสื่อมออกจากไหนมันก็เสื่อมออกจากเรืนอนโยกรมเพราะว่าหน้าหะล่ะมันบมมันเสื่อมมาแต่ฝ่าที่แสนได้มันเสื่อมมาแต่หัวใจหะ แลนแ้น้ำจะของควานออกอะไรจะเลื่นเดินยังกลมพมาว่าหน้าคว่านอดนี่กับผองเอาตื่นมืนเอเศร้ายิ่งชี้หูชี้ตาไปบินธวัตสิลูกวาพระเที่ยงขึ้นก็บโลุกสิลุกเดินยงกลมเที่ยงขึ้นก็บโลุกเอามือเศร้าผองเอา้อง เ, เอาหว้วยพอเปลีป่ยนไปเสียใจนันนี่ก็ไปตัวา ม, ามักฝนนี่พลานม่มีเท่นนลนี่เหมือนเว้นแต่นอนหนึ่งนอดสองคือ คื อ, นอม น, น่นหนึ่งเทนั่นหนึก็ว่างนี้แล้ววงสันยังันแล้วนี่นนสองย่างหูมัม่คืออีกซ้าอีกอ่าใบสามากกสิหูสีตาแล้วก็ก็อเปอยมือเสร็จเสร็จแล้วสมอ i มือเสร็จเสา็แล้วสีสหูสตาลออกมาเออไปปรลอดเนี่นะ่อืม ก็เปลี่ยนไปกิดใจเป็นมันเนี่ยนะว่หักทั้งกบภาวน้าจิตใจปรุงแต่งแต่ของพาหนกผลหลายกลัวมั่นกับอะไรกูขาดทุนเนี่ยมังเว้นมือ น, นี่ยเนี่ยมังขึ้นกูก็ที่เบริรภายหลังก็คิดเด้อเนี่ยมังเว้นกูเด็ก กูเบียบกูบงานนั่นั่นนั้นกูอยู่ทั้งโลกกูเฮ็ดซ้ำซ้ากูเป็นพระอยู่เดียวนี่ก็รพรกินขึ้นกันน่ะกูจะถือว่ากูนะนบอกของสันว่ารูกพกินขึ้นกันนะร้พระพกินรพราะจ้าขึ้นกันะต้องรู้ก็นี้อย่างเด็่ท่านถึงชี้ทุ่มละเอิ้นหาพอละ เที่ยงขึ้นกันย่างวัฒนลูกได้ขนาดให้เมื่อได้รับเต้นก็ยามเที่ยงขึ้นหรือยามเชิ่ตังคขึ้นกระลุกเนี้ยลุกเคลื่อนหาเคลื่อนาภาวนาด้หมผมภาวนาที่จะหน้าธรรมะธรมูของสวยเนี้ยื่อมื่อเช้าเหมันจังทั้งชาเป็นพระละหันเป็นรัฐบาลรลดเออเมื่อก็เต็มที่พดเนี้ยะ กับหลวงปู่มันกับหลวงปู่มหาคนมาผ้าสวดมนต์ปวดเสียงหญายห้ยย่มได้ยินดอกแต่ที่พระท่าของเพลินสวดยม่มตีละครั้งประกาศตีละครั้งลงสวดมนต์วดเสียงรอจินคาส่งขนมเพลน ลอกกินกระต้องขนมผู้อื่นบ่มีในปฏิปทาของหลวงปู่หมันหลวงปู่มหาดอกตื่นขึ้นมาตีสีหรือตีสามเสร็จสี่แล้วขั้งไปสวดมนต์เพื่อเขาได้ยินเสียงแน่เพื่อได้กลินป้นเขาบ่มีในปฏิปทาของหลวงปู่มหารอกหลวงปู่มนดอกเร่าเจ้าทองเพชดกระสันบุษเคนสันกบบ่มีแนเดดวเพชรกระสัน พระกรรมฐานเ่ามุมแม่นาที่จะไปเหตุทังสนัตวพราะไลาน่อยคนวางทีพลมักหลายกระส่วนนงางยเงียบอ๋อของไทยของมันไยแดดเต่นโนกสวดเตนโมหันไายได้แต่อยดีพิโสกสวดเตี๊ยดีปิโสหันไทยเสวาพุโตธรรมโสสังโฆสองพ่มเท่าน ain, mate, ain, sen, en, ันตะตามไหนักธรภาวนาคนบ่นวงสัตนงู้มันน้องผู้มหาคือการคนตะส่วนร่วมกันในเจมือร่วงโอโบสดพ่มือเขาพันสา เพราจิตได้อธิษฐานภาษาซึ่งนากันกับมือวันว่าขะวิสาขะชนะแล้วเราเั่นห้องไปห้องมันอ่ะวนสิไปสวนม่นอดเสียงหอกอยุ้กับหลงผู้มันชิ้นและตัวต่างประละมั่งเพิ่งกบภาสวดแล้งปัติโมกในยุคเหมนน้องฟืนยุคอื่นเวลัปลอกไม่ที่่างโ เตนะปกะตาชานาตาปัสตาราซาสมาสมบุเทนะโอวาดาปาทีโมขั้งตีมีนาทาหิทันตีพลมังตะปูติติฆานิบานังพลมังวัดันตีบุตรถาปันตัญจะเสยนาชนังจอดหุ่นอาทิกิเตจายโงเอตังมุฏฐานาซาสนันติก็เซ้าหันชิ้นเสืตังกับผ้าสวด พระสิตาไม่ดั่งเขาพระผ้าสวดหลวงปูมหาผ้าสวดด้วยนำหลวงปูมหายุคบานคนใช่คนท่าลงแต่เศร้านู้บัวสดเพราะมันมีวัดอื่นมาร่วมมันมีเทนะหนวงปูกองแก่วคนกุลุงพ่อคนพ่อสวดตอนที่โมกรกกับแม่ฮาไปบิณฑบาละ พอแดอรุณเพ่นกัพ่อวจแหละอาการชิงท่องอยูต่ต้นงูอ้อาการสมอยูต่ต้นงูมาหาอาการชิงช่องเปลี่ยนว่าละกันหรือมาหาเหา ห, าหารหาปลัดเพ่งว้นไปว้นมาอยงนั้นปลัดเพ้านในอํา ย้ำว่าในได้ดอกปฏิโมกข์เข้าไปได้ปฏิโมกบุุ่นผู้เก็บพงาผุนน้องผู้เทศไร้ขาสวดที่หนึ่งคนในจานสมวันหน้าชิดาที่สองมันเขาที่ามมานธารรุ่นวันไปวันมามหาพิ่นก็ได้ได้ทําดอกปฏิโมกมหาตายือดอกก็ได้สวดดอก ไม่ได้ไรหรอกเดี๋ยวมาอยุนีน้นะห้าปีข้าอายุสี่ปีนี่ค้าอยยุบันเลานี่โดยวปฏิโมกแล้วปูมนมีมัน่อ น, นอาจารย์มหาวันีรไร้ขาห้าสวดทานอาจารค้า่านกาารค์ามอายุผู้พอปีนึง่งอะไรมันเป็นเวรกัน มันเป็นเว้นยังไงไปตีห้ามาอยู่นี่ห้าต้องเที่ยวไปผูบดสดนั่ลบผู้บริการมหาวุนวี่่านีพวกยุบันเราได้่ยเที่ยวมาหาเห้ามันเป็นเว้นกันท่ น, น, นเว้นนั่สนองเว้นคุณยักบอกบ้านนี่พลหล้าหาตายพลหลพวกนี้ทั้งสี่เดีไปหามู้ตัววาที่จะถูโนเป็นห้าตายเราเหียกันมาเอาผู้บดห้ามโนไปอยู่บเวอร วันนั้นจตายเนาะยิ่งขาปโบวบตัวตัวแต่หมแต่ไม่เฮาเทน่ะพี่น้องเอ้ยยุไก่กันนะน <c oughs> น เ, เพิ่มเนื้อเพิ่มปลาแลกทิวายอย่างไนล่ะยิไก่กันนักก็กเอาเบากระสู่ต่างสถิติกำลังห้องไฟห้องมั่นแล้วมูเฮาขอพ่อเปลี่ยนไปนี่ล็อกปัสใจที่พา ย, ยุบานไหนขอพ่อ้อยุได้กินได้ใส่ได้ซอยยูบุสันอึศนยา ก็ไม่้ตั้งใจปฏิบัติตามสิทธิกำร่างของฝ่ายของมันเข่าที่จะเป็นไปได้เท่า น, นั้นละเนี่ย อ, อื่นโมงีแนวพัดของพ่อป้านาได้ยเนียนอกจากห้ามถิ่มกงไงไฟสูงเท่านั้นห้ามมังไงไฟสูงมันเป็นนิทานอึ้งอ้างมันก็ปรจักรบนาแล้วหันเบี่ยหลายทอกแตกตายล้วนเนี่ยอาทานล้วาาห้ามถิ่ปฏิบัติโม่ห้ามกับพ่อปฏิบัติอยู่ อุตีวิหารกับพ่ออายุสุทัศนทุกคนนะวานาน้ำกับพ่อจะใส่สุันทุกคนกบบข้ากับพ่อจะจับการจัดงานึ้นในวัดในว่าพ่อสะหาเงินชิปเงินหาที่สังมันกับพ่อเป็นไปได้อยอรอกวนจเอาไปน้าไดกับแม่บ้าภาวนาพิระแต่ว่าส่วนเนียอื่นข้าเห็ดก็เอาไปน้าไดอยู่ เฮดิงทีบนอบเนือทมาเวไนสาหรับฐานะของโม่เฮานีคู่ปฏิบัติน้าหม่เฮาซัมเนกเอาละงานโน้มผสมท า, า, านะกระเฮา้าเขาปฏิบัติกระเฮาดีกว่านี้ไปอีกเขาสมท า, า, เานเฮาคือการนันแหละเขาก็บพยอมนี่คือกนันแหละเขากระสั่รวว่ า, วา ไ่กินเพดชีส้ฐานะก็เอาละินลองเลยแล้เสื้อเข้าวนหน้าอันได้าวนหน้าอันนั่นละขันเขานักบาทังธรรมะปัจใจซีมันคอยเป็นมาเองเนาะันเราเ้าหามาขันแหะนี่ว้ของสันวอรบณันเนี่เสีหาวันเนี่ยสีสวงนีว่าเดียวเนี่ยเสวงไรมันแหะส่มเมื่อวันนะ ข้ปฏิติหลังเพ่อทุกนะตาจะต้องสามมอยเป็นมาเองหอกถ้เาเพียงข้าวิกินสใช้นี่พ้าได้ไปเป็นซื้อมื อ, อย่หรเห็นเพื่อนมีรถข้ากไปจากมีเห็นเพื่อนมีเรือขา้าวไปจากมีเ อ, อเห็นเพ่นสร้างโรงพยาบาลขา้ากไปจากศาแล้วเพื่อนขาวิดินตายแล้วเนี่ยน่ะอันนันไม่เปเรือของเพ่นเพืนพ่นก็เหตุสมทานะของเพิ่อ่ะ เพื่นพรเห็ุมันเก่าพถือพรามัน่มากโดยเป็นถ้ำพระเหตุสมฐานะเพื่อนสามข้าวขจิจักขไม่เป็นาสั่นก็หวยขาวิเดีนตายเห็นหลวงปูแ่แวนสางลงพยาบาะเลสั่นทะเลลึกห้าวขสิจักสางเห็นหลวงปู่มหาสาง้ากขจิจักสางปู่หนึ่งคอยสีพุนคือกันลาวสั่งห่วยตายโรดขาวิดีนโรดเนี่นนย่ะ ม, มั น, นว่กหลือรักหัวหลอวอกมันหัวจาป้อมอ่านจะฟ้องก็สะตายเนี่ยจะมาถามทางร้ายมันร่วมอยู่อมืดแล้วมืดมัวยอมร่วมได้คิดเท่านี้แหะพวกตายมันก็ร่วมลงเป็นหนึ่งแสีตายท่างมืน่นต่างแสนต่างโกดท่างล้านต่างคือจิ้วสเสดียวิ้วเป็นเนื้อสรงสามสีเงบกออกก็ตามมันก็ร่วมลงตายอันเดียวเท่านั้นเสมอเหมือนกันมุนาของไสรแกก็คือกันถ้าพะแก่ก็ร่วมลงมา หนึ่งท่านละ่ะหนึ่งแก่ท่านน่ะปัจจุบันท่านละ่ะคุณ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆพระองค์คือร้ปงไปแล้วที่สีมาในขังหนาพอดีก็ามาร่วมลงเป็นเอกคุณในปัจจุบันหนึ่งกั น, นาท่านละ่ะง่ายโตหอฐานประเทศก็ร่วมลงเป็นหนึ่งหันวัดหอานขุนโมมันวัฒยงใ น, ในสายโลกธาตุทังท้งอดีตทั้งอนาพอดทั้งปัจจุบัน มันก็มาร่วมลงเป็นหนึ่งฮหละในปัจจุบันฮะล่ะเพิ่มปูไอเพิ่มเนากขคือกันเพิ่มกระดูกคือกันสีมีต่างมื่นหางล้านหางโอดหางก็ตามมันก็มาร่วมลงมาเป็นหนึ่งกระดูกฮะล่ะตามสมุดฮะล่ะถาดเดินคือกันมันสิมีจะทำได้ก็ตามมันก็มาร่วมเป็นหนึ่งในปัจจุบันคือเอกปฏิวีธัส หัวองฉันเอารถทั้งขาทั้งหลายมันสีเมื่อไหรก็ตามมันก็มาร่วมเป็นร่มงเป็นนึงในปัจจุบันเอกะชังขานท่านล่ะเกิดขึ้นแปลป่วนและแตกสลายขนาดมันจะแปป่วนแแตกสลายต่างมืนต่างล้านต่งโกตือติวเลีอติวเป็นนิวสร้าง3ามสีเงาบอบกังลามาเรีวนก็ตามมันก็มาร่วมอยู่ในปัจจุบันนันมืดนี่ขันวจังสันเท่ากับตองสงสัยแต่ถ้าบอกพี่ชนะสัน อันนี้จังทุกคังอนัตตาก็คือกันมรรคผลในพลานก็คือกันก็มาร่วมลงเป็นหนึ่งท่านล่ะศีลสมาธิปัญญาก็ร่วมลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันอย่าล่ะหลวงสันเอโลุศีลสันไหนก็คือกันสันศีลสันพระสวสดาบวันสมาธิสันพระสวสดาบันปัญญาสันพระสวสดาบันก็มาร่วมลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันคือกันสันพระเร้าทาข้าเมีหนาข้ามีอรหันต์ก็คือกันคำบุญเราลงเป็นหนึ่งเราบ่บ่ได้บ่แม่นเออ ภาวนาเลี่ยงแบบบดตสิ่พวกสงสัยบอกของสั่งขอวัดผ้านอกอันไรมันมีมันเกิดมีมากอสุเป็นน้ำเป็นนิ้นกันผู้ไรทีปรุงจิตแดงคืนจะสร้างคาเทนน้องมันเป็นพญูแก้ผู้ธาตุศาสนานี่ยมันโมเป็นเสียนเป็นน้ําแหละให้ภากันเฮ็ดคอยกันอาสุเสียเปียบกันนี่อันหนึ่งผู้ลังควนนเห็นผู้น่อยแตดงขึ้นเห็นผู้หน่อยเฮ็ดึ้น แต่ว่าเป็นประโยชน์ตือนร่วมเราเป็นผู้ไงว่าอยางย่อมเฮ็ดนาเขาแบบนั่นกับวัตถุคำันเป็นประโยชน์เท่ากับเฮ็ดนาโลดหรือว่าอย่งไรของทางศาสนาแบบนีงผู้ไงผ้าเฮ็ดห็นอว่ามันเป็นประโยชน์ ว, นว่ากระทแบกระเทือนนี่ยังไม่เสร็จเท่ากับเฮยดโลดโอ้โหอัจจ่าเป็นพ ว, ว, ว, ว, ว, วีณาจิงกะเลนีเยสุทักกาตาความขยันเอาใจใส่ในกิจระของเพื่อนที่สุธรมเนม ธรรมกายมาตจาความใกล้ในทันที่ชอบวิธีเคเืีอนเพืย เ, เจริความชัว่วปกชุดความดีแต่สนุดยินดีก็ถ้านุ่งาห่มอาหารที่นอนที่นั่งระยาตามมีทำได้ก้าิสติจำการที่ทำและทำสิบปุแล้วแม่นานได้สิปัญญารอบรู้ในกองสังขารจำเป็นจริงอย่างไรทถาวัตถุคือถอยคําที่ควรถูก1ชิยยาง อภิจักขาถ้าําที่จะนาให้เป็นความป่าชนาน้อยสันตุจักถาถ้าําที่จะนําให้สงบเนนี้รู้ปัจจัยจามีจำได้ต่อไเรกขาขากาธาถ้าที่จะนําให้สนัดกายสนัดใจอสังขคกตาถ้าคาที่ชักนาให้ักคนด้วยมือไม้ข้องหจักเือนดปกมหจักพระวานาเมื่อมันถงหงจักมงจะคุยกันุสิงสุงสิงุงสิงอยาเกี่ยวงอนวันหงจักลบหงจักหลีหงจัก เดินจะกลมหู่ชักผ้าหัวหน้าหุ่ชักการหุ่ชักงานหุ่ชักเวล่าเยอะนี้หน้ามันสะดวกแล้วเนี่ยพร่อาบยุคุดไทก็ได้ไวจําเป็นสีสูงสิงกันบนเดียวงานงานมันเกิดขึ้นน้ามนักก็ต้องซอยกันที่ผ้ากันเบิ้งมันมานมินมินมันก็เป็นประโยชน์แกสังคมของมูเฮ้าหันละฟ่องหัมันแหลวห่องหัมันทัวเพราะซอยไรเฮ้าก็ซอย แนวบนอกเนื้อทำมาเวไนมันจะเป็นอย่างของไฟของมันเถอะดิออกไฟของมันมันเข่าดอกเหม่เบาใจผู yeah ้บาอาจารย์ตัวมันจะมีบางสิ่งบางอยางสำหรับสงบ์เห็นพร้อมด้วย เดียว่าคูบาอาจารย์ประสงค์เจ้ว่าสิ่งที่คูบาอาจารย์ประสงค์นันคูบาอาจารย์ผู้เป็นเนื้อมูโเมนสิฟั่งพวกสงัตถุแนวเลยถ้าตอนไหนสงโมเป็นถ้ำนี่เพิ่นกับว่าอาน้ำซึ่กัน่ะจาว่าอย่างไรซะสงรับร่องในระบบสงในสังคมนั้นว่าเป็นมัสสอันเนวเนื้อคู่บาอาจารย์สงรับรองในระบบ้าสงรับร่องในคูบาอาจารย์ท่านเส็จนูอยูซูอันวัน องซ่านอรดว่าสิ่งไหนพ้นเห็นดีแต่ว่าสงฆ์ทั้งหลายเเห็นดีนี่แต่สิ่งที่พ้นเห็นดีนมันบนองเหนือธรรมะไม่ไดมันจะจาเป็นต้องในเฮ็ดน้ำพนเทระประสงค์อันนี้มันก็มีอยู่อ่ว่าอย่างไรสั่ที่ศูนย์อเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เาร็ที่ศูนั่งเทื่อฟังคอยคำของข่ในวันนี้ในอปปริหาอย่าทำซึ่งนี้สงฆ์บ่พร้อมเพียงสงฆ์บ่บเห็นดีนําว่า แต่พระเทระเห็นดีทางเหตุท่านเหตุตามพระเทระมันพิษทำพิเวนั่อันนั้นพวกก้เห็ดมันบพิดทำพิเวนั่เป็น ท, ที่ละพิถีมานะแล้วว่พร้อมกันว่าจะเคลทซื่อมันก็จาเป็นจะต้องในเห็ด น, นั้นพระเทระทิวไว้ยังไงสั่เทระประสงค์เนี่ยมันมีอยู่อันนี้เป็น้าธิมู้ชุมจักนี่ว่ามันพระเทระสงส์เห็นพร้อมเมืจันสร์ที่เตุที่เหตุอย่างเพิ่นก็มีชีวิตอยู่ขึ้นกันทิวไว้ยังไงสั่น เนี่ย่นออกเนื้อทำอะไรนั่เพอ่นบอกได้อยู่ไครฝืนก็เป็นอาวัตุกดคือกันสุ้ก้อในใอ น, อนี่ใจเบอกของฉันเอาโลดว่าถึงจะมอดแล้โอเสื่อม <c oughs> คือเขาบอกตอนนี้เล้วยนูกบบอย่างนิ น, น, น, น, น, นดีน้ำภายในนี่กนเให้แล้วกับเอรแต่เนี่ยว่างนี่นะ่น่มันผิดตำผิด ว, วิ น, นัยหมั่น มาบอกฮาตอ น, นี่หะ ม, ม, ม, มูกับเบ้จากเค้นดีต้งไปไหนห่ะบเบ่จกเ้นดีก็จำเป็นต้องไปเฮตีเพื่อประสงค์ของผมนี่ทันเท็ดแล้วเขาเก็บพร้องสองมาแข่งสังนแล้วล่ะนะมียกตัวยางแบบนี้ว่าหรือว่าจังไรว้มามาใไหมฉันเลนเห็นเห็นเจพ้พี่สมบุญหมอบอยู่ตัวหล่นตอบันี้ละมูกเขาเบื้อเค้นดีต้อง เห็นีแต่ห้องผู้เดียวห้องพระโลใส่เอ้ามันแหงเรเห็นดีแล้วห้องแหงคือพโล้วยส่ห้องไรขาเฮ็ดเตี้ยเห็น้แล้วเราพดเี้ยเอาไอ้นัจะไปว่างตัวเในจกเอาไปว่างกันว่างไรสิเกิดเพิ่มมองเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วเพิ่งเห็นครับคนก็ดบมงคนผีบ่าว่า กูพืชที่กท้ทีินเราแม่นงูของซาลินโบคักไปหนูองปมูมันเฮตซี่ฐานมันก็หาย เดือนนี้มันยังขาดฐานขาดสวมเนี่ยเพราะอะไเหเป็นกระละเพราะน้า ม, มันสะดวกแล้วบ้านเหตุเนี่ยไก็เพรเหตุอยู่บ้านเหตุสวมซึมงก็พเพรเฮ็ุอยู่น้า ม, มันสะดวกแล้วแต่ว่า ม, มันงานมันเหลือมือปีนี้มันเฮ็ุก็ได้มันปิปิ้นอยู่ข่าก็ได้ ขอ ง, งขง่ายๆคนอีค่านบางนี้เอาไปบวัวชส้าสันโอ้ยม่นชอบมาชอบะเชื่อไครว่าคนอีสานว่าบัว ด, ดัดตุ้นเลือกลูกสววเสาไว้พระเจ้าสวดมนต์ของที่เอามาใส่กันอันไหนมันจะเป็นตะตก๊กอันไหนมันจะเป็นตะเฮียเห็นโจกแก้วหรื่อยอย่างมันตั้งอยู่มอสิมงไม่ก็ต้องเก็บแดีพาวินั่มีอยู่ ขาไได้สอนมัดอัอนโมนิอังรลอังเล่คือกานมือได้ควนจิตจบอันได้เก็บซอยกันเมี่ยนจบเสียมคือกันเอาไปใช่แล้วต้องล่างนเราล้มฟมันต้องล่างนี่จ ốc. บบะหลางบะได้เสียมบะหลางบะได้ีเราล้มูมหาคือการติดคดินอึตู้ทีฟีดบะได้ละ เขาใ่ะต้องเอาไว้เวลาที่ใส่มาให้มันหุจักอันนั้นยุ่บัหานอันนี้มันอยู่นี้เอามาขูคขึกันขูสังกะสีมัน ม, มัมมนแน่วเสียไปข้งหน้าขึ้นหนึ่งสองขึ้นน้องปูหมันน้องปู ม, ามาหาหายหนด ขงแองสาหรับรังหนาไม่ยเยอแหละคนมองของศิลป์นเนี่เสียประคัน้นหออนาคนวางศิลตั้งผู้ใช้กับขีดินคือกันข้นหนึ่งบัไดนี่นั่งหลวงปู่มั น, มน ห, มห้ายโลดผู้ทั้งนี่หลวงปู่มาหาขึ้นกันต้องหาไหม่ให้ ย, ยังมาห้องใส่พระเป็นจะใส่คนมองของศิลของสองตัวแห้เข้ารุกพของจะของมาสิคนวางคนมองของศี่เ์ออได้ องอันมือนี่สำคัญเสือบคื้กันมือได้ซับพ้าแล้วตากตากยุหันแล้วาตากฝาตาผลยหันเลยเสื้หาผู้จิกู่กับผูยจักมีม้านกับว่าถือไน่นอาัเมื่อคยเดือึกื้อมาแล้วมัดตุกูทุกคนตุกูก่เขาโฮมเขาฮ้ อ, อเสือบที่ตาผพาบวกูยกเพื่อน เสือรวดที่มันบกเขาสนิมสือดอกอันนั้นสาธารณะเนประกุอันนั้ น, ะะะนเสือรวดที่บกเขาสนิมน่ะถึงแม้เสือกหวายก็คือกันแล้วได้เหี้ยนบันด้วยน้ร็อกผูมันพาตากไว้ยอย่างนี้กวเท่านั้นดึงลวดเอาหลดมาลอัน พิษพาก็ต้องรับขย่าเย่อเขยย่าขย่าย่อเขย่เขย่าเขย่ย่าเขย่าเย่าเขย่าเขย่าเขย่าบขยเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าเขย่าเขยาดขย่าเขย่าเขย่าขย่าเขย่าเขย่าเข่าหขย่าเขาเขย่าเข่าเาเขย่าเขาเขยขาา่าาาา่าาา พ้นมาป๊อเป็นอาวทุกขก์ก็เลยมันว่าดึงห้อมากชีซ้อมากสิดึงร้องมากพิ่นต้องจับของมือเขยาเขย่าเขย่าเย่สองมือสิปติทุนมาทางนี้ไม่ราะจะพิกก็คือการบพราะันดึงรวดรวดนี่เหี้ยรวดแหละอัโมนี่ ฟ้ายอย่างหนา้าปล่อยให้ยุ่งเขาเพิ่ก็หายมันบ่มีนี่เห้ยเพชรทั้งงอของฉันายอย่างนา้าจะไปปล่อยให้ยุ่งเขายุ่งเขาหาบบ้นเทพก็บ่มีหางเท้าคนบาตัวาบ้นเทพก็ บ, บ่มีน้บบมนา ม, มีตัวสัตว์เอารถย่าหรือดินเน่เป็นรารวัตทุกข์เน ร, รเนนาร์วัตปลายตีหน้ามีตัวสัตว์บริโภคน้านั่นเน่บริโภคอาบมุ่งนนะ่ะ เองน้ามันต้องปิดเองน้านนั่งตีนกุมอนกันแอีงน้ามันไส้กุศเจ้าของกุมือนกั น, น, กกก น, กนต้องปิดต้องมีฟ้าปิดฟาเปิดมหายุ่งกับใครใครใหรไม่เกี่มันจมทามันกระทใทรไคกับต่อปัหาเทใ่ใส่บ่ลมันมีห น, น้าบอลดิเทศ ใ, ใส่ดิมือใส่หนา หน้ามีตัวชัดเท่รถหยาหรือดินมันเป็นอัสต์ไตมันมีอยู่ในพระเวน่ายขอนุ่งขอนี่มันก็บพวกเขาและคาตาอันเขาหูมันเขาตาเขามูมันจกี่ยเชนูขอนุ่ขอนยามันอย่งปลาลิสก้าทิเศษ เาราห้องนีลาไม่ยดไปเท่นั้นเสียบจะกองเงินกองข่ำซึ่งคืนว่าก็มีตะพูมาแฮออสเตรียข่ำผมมาแฮไปเท่านั้นเขาก็นบเือเป็นหอนแต่ว่ากิเลสของเขาน่ะบริ ย, บ ย, ยดยอมเลยห้องสีได้หยังอยู่ากงั่นี้กิเลสเขาบวถอยออก ข้าวย่างเผิดมเพิ่ในวัาสงสารอยู่ไปเท่านั้นก็เหยียบจะากองเงินกองข้ารโดเขากองมาหาอิทธิ0ัทธ์เศ้าขั้นลอยขัน้นเบ่อทลายเจ้ากิเลสทางมหันรหลดมหันถอยย่างมหันอิทธนาละอาใจในวัาสงสารมิดตะทิพติดตะเพื่อนก็เพื่อนมีดเจมิดเจสันกระโดดใจท่านี่็เท่าที่ใด้ังหนึ่งได้แค่เพี้เท่านั้นะตายเลยเป็นเพียที่นโมนีแหละ มองฉันเอาโลดว่าแล้วมันฉันโลดมันฉันกระโดดไกลปาตัดมือข้ามองห้องสีดเงี้งไม่พูดว่านับถือหรือหาเนี่ยมือนึงมือนึ่งขี้หัวมาเขาเกาหัวมาห้มมัดเทียนแผ่นฟ้านี่กองเงินกลองข้ามเต็มอยู่แค่ข่วงบมเหตุไทยในวัตจักรสงสารนะฮะอมมีมีจะเพิินใสรอยู่ห้องสีใดเงี้ยฉัน ก็ได้ต่กิเลสแน่นี่ก็กิเลสกับกิเลสบวกกันเภต์กบเพศบวกกันนิชาเพศบวกนิชาท่องเที่ยวในว่ดจ้าท่งสารมันก็ปูมันก็บวกเข้าอีกบวกขงท่านอรรดว่าเขารู้ดีอยู่แล้วว่าปัจจัยที่น่ะ สำหรับประพืชพุ่มาจันท์เท่วพนทุกซื้อไดเลยเนย่างที่ประพืชพ่มมาจันท์อีกอโขย่แม่นัตใที่บริบูรณ์แล้วก็ได้เมื่อมันสีพนจากกิเลสรวดได้เดียวเนี่ยัตใจที่บริบูรณ์นวมันทีพนจากกิเลสดอกบมยนเีีวันกับบริบูรณ์กับบริบูรณ์แล้วเนาสนะกับบริบูรณ์แล้วแค่ักับบริบูรณ์แล้วินทบาลกับบริบูรณ์แล้วอังสิ ก็ดมันสิผุดเกียจจากีิเล่โดยแรกกันเ้าโบภาวนาคะเ้าโบเห็นโสษเห็นไฟในวันตาสงสารบนมันสิผุดนี่มั้งผมาผมสังเกตีเขาเป็นพระร้านเมือนี้ยขงแข่งร้าก็วเตีเนี่ย เวล่าเจ๊ได้เวล่ า, า, ลาให้ถือว่าพันยาเพชรจะขาดไพันยาแมจุลาไงนุ่งสรงแดงเสื้อแดง่ะดาบเรียมพอบซ้ำนี่เด็ะนี่เรียมหนึ่งยูนีนี่หมอนึนงเรียมหนึ่งแน่อยู่นียัดที่จดมือไหนอ่้วันพอเนี่ยให้ถือทีงสัน่นเอา สถานที่ยันนาคว่ำตายก็ได็ ก, กําลังรู้หาว่าเทานอื่นนา่ตายของลมหายใเขาออกของเขาเก่กา ว, วานยางก็ดีขอมกขปวดตาดก็ดีกเ็กเําลังกาลังคิดกาลังใจใหลวงพรไนอนใจในวัาสงสารเห็นควาตายทุกลมหายใจเขาออกเห็นแต่ไม้มันที่นอนใจในวัาสงสารมนุษย์นี่ มันมานอนเน้วยมันมาเห็นนั่นที่หรอก็มันสีนอนเนี่ยมันสีรื้มตัวรื้มตนรืมใจรื้มถ้ำเนี่ยก็มันสีคิดคิยใจเป็นมันเนี่ยมันก็เห็นนั่นตี่แต่มันเห็นนี่มันมีตัวเล็นตัวขึ้นน่ะมันสีนอนใจอะไรบ่ทำได้แล้วก็คึ่งกัน สักองทุบก็คื้กันสั้นกองอันนี้จังก็ขึ้นกันสักองต้วกองเน่าก็คือกันมีเห็นเตยเห็นเน่าอยู่โมมีคืเว้นก็ึี่มืนก็ตีไหวใจอีหยังในวตาสงสารอันม่กาติทิพอีหยังเียนวัแก้บ่ออกอกมัส่ง่ีเห็นว่าในโลกเต็มไปด้วยหางกระดูกไปแท้ก็เหยียบจ้หางกระดูกว่ะสั่นทั้งเก่าทั้งใหม่ค่เห็นอยู่โมมีอเว้นก็ขึ้นนี่ มันเห็นจิตหูจิตตามันจิตใจมันจิตสัญญามันอยู่อาสภาสัญญากิเลสมันกัจิตรมพุมาได้ใช่อีกคนแล้วก็เดี๋ยวทมันก็บบมาแล้วเห็นว่าพุทพพุทพุทธธรรมพุทสง สร้างซ้อนโมหิมาทร้งเที่ยวในบรรดาสงสารมันเป็นทุกข์มันเห็นอยู่บมมีกรบเว้นกับขื้นนี่สิมันกสิติติยังเกิดสิแกบวออกมันจะไม่นหนามล่างออกได้อยู่ห่างละมันสิติติเกิดแกบวออกได้มันสิถอนจนโมบมมันสิถอนบวออกได้ไงของตะปูไม่แว่อยู่บม้อนเขาสนิม หัวยังอยู่มันก็ะส้อนได้อย Not, ู่น็อตมั้นนะยี่สิบหมื่นปีกระทำจะตายกันตายแล้วเืจอห่ายิดใจไม่ยอมตายนี่จากสิ้นจากถ่ำไม่ยอมตายออกจากนอกคน้นที่าค สมมเขาคิ้วพุ่นคิ้ว อ, อยู่ในหลวงในสงสารเนี่มันเขาว่าเพแห้งแล่ละเขาเย่ยมไลยมันกับบลาไม่มีบรรพาวางเลยสมมเขาคิ้วบนผลทุกในวัดตาสงสารรวยดวนพุ่นในปัจจุบันนาชาดพุ่นหน้าคตการนั่นเธอหน้นาคตการนั่นเธอเลยกว่าเป็นเรื่องทดอบเพื่อไ แล้วว่าอนาคตการนั้นเธอสายทราบเิดว่าบาลมีของห้านี่อ้ยอ่อนลายอยู่ยังเลวหลายยังใส่บ่ได้การเทายัายางว่เหลื่อมใสในทางผลทุกในวารสงสารในปัจจุบันศ้ศาสเทเล่ย์ไปสิาทราบเิดว่านายังลายอยู่ยังหยาบอยู่ยัุด ป, ป่อยให้มันหยาบเลยให้เล่นเขาแล้วว่าเพิ่ตร ส, สอบมันไม่อยอะขน า, นาดไห เพราะเหตุอยางกคมีกาตรวจสอบบดแล้วเขาเขาเห็ดแกงเขาก็ยังซีบ่เบิ้งอย่างนี้เข้มขนได้อันนี้เขากระซิบเบิงแะ้วบอก ไม่อยากวาเป็นพ่อข้าห้างกระดูกอีกไม่อยามาเป็นพ่อข้าทุกอีกไม่อยากว่าเป็นพ่อข้าหนังอีกเออหนังผมอยู่ในรอบเลยไม่อยากม่าลงหนังอีกไม่อยากม่าลงห้างกระดูกอีกไม่อยากม่าลงตับไตไส่ผู้ไม่อยากว่าลงกิ่นไม่อยากว่าลงขี่ไม่อยากม่าลงเกิดไม่อยากม่าลงแก่มม่อยากมาลงเก็บไม่อยากมาลงตายอีก แผ่หลวงม า, า, าหลายลสาสรลายพเปล่าซีสูก็คั่วมลงด้วยพระมหาสติกับพระมหาปัญญาในขอวัดปฏิบัติโมย่อมหมอบอยู่นาเดียวโมย่อมหลงอยู่นาเดียวโมย่อมนอนใจอยู่นาเดียว พอได้เห็นแล้วเห็นกองทุกข์ในวา ต, า ต, ตาสงสารเต็มตาแล้วว่าให้พอยตัวได้ไหนบอกช่างสั้นเอาโลดมือยักย่องบอยย่อง สมัคสูส่สงข้ามหล ง, ส ง, ลงสงข้ามโลกสงฆามโกรธสงข้ามหลงเมธะไรศิสู่อยู่ในเมืองคิดเมืองใจนีเมธะไรอเอาทหารสติทหารปัญญาทหารศีลทหารสมาธิทหารปัญญาเขาบุกลบกันได้หนีลสนะสนะกสษณะกันได้หนีละ เพ่เขาเพ่คำนีในนี่แหละในเมืองไก่ในแหละเหมือนซองทัางสองนี่ในเมืองไก่ในแหละท่ามเหมือนกูแข่งขันแข่งขันกันก็ยุ่งก็เมืองไก่เนี่ยเมืองโลกเมืองขวดเมืองหลงเมืองตังเงี้นี่เมืองชินเมืองสมาธิเมืองปัญญาอธิตั้งเงี้นี่คือกัน ของสัตนเอาโหลดมันจองแล้วก็จะจองเพื่อกันจองเป็นแต้มันหมดสมอละพุม่มคือคิดใจนี่แหละส ม, มอละพู่มพาอยาออกก้มันเทนาธนะวัดปลาที่เงียบสงัดงตามสถิติกตำลัง เสนวเราพุมพ้ า, ายแน่คือคิดใจนี่แล้วต้อซูกันนีแหละสนามลบอะโลกกันยุนีละ ก, ะกล็โกบหลงทะเล่หลงก็นยุนีละคามกับคามนีละเธเล่หลุกเเลกวดเธอเล่หลงกันยุนีละคามกับคามนีละ เมื่อกกบเอายุกับนีล่ะแค่เกายุกับนีล่ะยาโอโซนเอายุกับนีล่ะฟฟอหม้เมืองใจอยโรกไฟโกลไฟหลงไหมเมืองใจเาซีิิเอาน้ำยุ่เมืองใจเนี่ยมันหมดยุ่นี่มัได้ไปมอดมนอื่นได้รื่เนี่ย่บอของสัอา่อด เจ้าเสวาจากไหนไปใสอีกแล้วมันกับไม่มปนเจ้าเสวาอีกแล้วเออเจ้าแผ่นดินก็บียเป็นแล้ว ม, มีแต่ดินอยู่นี่ธาตุดินจเจ้าแผ่นน้กับมีแต่น้ำเลือดน้ำน้องอยู่นี่จเจ้าแผ่นไฟกับมีแต่ธาตุไฟอยู่นี่จเจ้าแผ่นลุก็บม่แต่รุ่งอยู่นี่เป็นหมดแล้ว เมื่อยามท้ายเป็นลืน่นจะแผ่นดินจะแผ่นฝ้าจะแผ่นล่มก็ได้หาใจเขาออกกับไมเใชแผ่นล่มตัวโต๊ดออกดาบมั่เกัแผ่นล่มหือกั น, นตัวจะแผ่นฝ้าเห็นพวกฝ้าอยู่เสมอเนี่ยจะแผ่นดินก็เยียบดินอยู่เสมอเนี่ยดินผ้าอนอกฝ้าผ้าอ่อดินผ้าในมันมีเท่านี่